ถ้ว่าสีมาริมิตเปลนสีมาแปลว่าอะไรแปลว่าเคสนิมิตแปลว่าเครื่องหมายครับก็แปลว่ามากําหนดเครื่องหมายว่าทิศเหนือมีอะไรเป็นนิมิตทิศใต้มีอะไรเป็นนิมิตทิศตะวันออกมีอะไรเป็นนิมิตทิศเหนือมีอะไรเป็นนิมิตแล้วก็ทิศตะวันออกฉิงใต้ถึงเหนือออกตกของนิมิตอ๋อถึงเป็นเก้าแปดทิศ อาแปดลตรงกลางก็แห่ตรงกลางอันนี้เสริมขึ้นมา <c oughs> อ๋จริงจไม่มีอ่ะ น, น ไ, ได้ตรงเนี้ยเสริมอ๋จริงจริงคือแค่แปดแปดจริงจริงแล้วเนี่ยกาหนดอย่างเงั้นกําหนดตามพ้ะวินัยเนี่ยให้กําหนดไว้แต่ละทิศเพื่อจะให้ว่าอะไรเป็นเสต้ยดของสงเวลาทําสังกกรรมเนี่ยเวลาสังกกรรมจะได้มีสงไปตรวจสมมุติกันว่าทิศนี้นี่อะไรเป็นนิมิต สมมติเอาก้อนหินก็บอกกีฬาหรือก้อนหินเป็นนิมิตทิศนี้เอาอะไรเป็นนิมิตบอกเอาตอไม้อตอไม้เนี่ยเป็นนิมิออตถ้าทินี้อะไรเป็นนิมิตอนนมบอกเอาจอบปวกสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ทํำแบบนี้เพราะปัจจุบันนี่ทําให้เหมือนกันหมดเลยก็คือก้อนหินมาทั้งหมดเลยแล้วก็ทํากันให้เรียบร้อยครับแล้วมันก็จะเห็นไหมเขาจะมีการมาตัดหวายเพื่อให้นิมิตเนี่ยฝังลงไปถึงดินคต้องให้ถึงดินนะฮะ พอถึงดินไปเสร็จพวกกรอบพอกรอบไปเสร็จทำใบเสมาขึ้นมาเห็นไหมใช่นี่เขาใบเสมาใบเสมามีไว้เพื่ออะไรเพื่อเป็นเครื่องชี้ว่านิมิตอยู่ตรงนี้นะแค่นี้เองซึ่งก็จะเป็นใบเสมาหรือเป็นเสมาธรรมจักอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ใบเสมาตรงเนี้ยเขาจะได้บอกว่านิมิตอยู่ตรงนี้นะอ่าเวลาจะทําสารกรรมทั้งหลายเหล่านี้ไม่ยึงในบริเวณนี้พระถ้ากําลังทำสารกรรมอยู่เนี่ยเดยให้สงเขาไปในเขตนี้ ถ้าสงไปในเขตนี้ไม่ต้องเข้าไปร่วมประชุมถ้าไม่เข้าร่วมประชุมกรรมเขาเสียคาว่ากรรมเสียหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นในในในในสีมาเนี่ยเขาประชุมกันอยู่ยี่สิบรูปองค์เนี่ยเข้าไปในเขตเขาไม่ได้ร่วมประชุมหรือเขาเนี่ยทำให้ทำให้การประชุมเขาไม่บริสุทธิ์คุณต้องเข้าไปร่วมกับเขานั้นต้องเริ่มใหม่ต้องเรียดองค์นี้เข้าไปใหม่อย่างนี้เป็นต้นสมัยก่อนอย่างเช่นเวัลราชบพิษ นะถ้าวัดราชบพิษได้ยินสถิตมหาสีมาลาทำไมเขาใช้อย่างนั้ น, นยันเขเป็นสีมาทั้งวัดเลยโอ้อันนี้สีมาทั้งวัดเลยเขากำหนดเขตทั้งวัดเลยนะเป็นสีมาฉะนั้นเวลามีการประชุมทั้งหลายนี้ต้องเข้าไปทั้งทุกองเป็นระบบซ่อนๆอยู่ไว่ได้แล้วมีสังกรรมใดๆขึ้นมาถ้าพระป่วยต้องมอบฉันทาคำว่ า, าอมอบฉันทาก็คือว่าเ อ, อบอกกล่าวว่าฉันไปไม่ได้ฉันป่วยมติสงฆ์ว่ายังไงแปลว่าฉันหินดีด้วย ว่ามัเดอเนี่ยก็เลยมอบแกงชาไปอันนั้นก็เรียกว่าวัดเนี้เป็นศรีมารุกว่าแต่ถวัดลักษณะเนี้ยเดี๋ยวสงนิมนต์กันยี่สิบรูปมาอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรเพราะเราไม่มีอยู่ในเขีดใช่ไหมเอ่อไม่ไม่เสียกรรมก็ามีเสียแต่ถ้าเป็นระดับมหาศีมาเนี่ยจะมีนิดทั้งทั้งทั้งวัดนะอยู่อย่นี้ไม่ได้จะอยู่อย่นี้กรรมที่ก็ทํามันจะเสียเลยใช้ไม่ได้กา ร, รประชุมคร้าวๆนะี่ยเป็ว่าไม่สมบูรณ์เพราะว่าคุณไม่เรียกฉันเข้าไปด้วยเพราะเชนอยู่ในเขีด ใช่ไหเนี่ยก็เรียกว่าไอ้การตกลงกันการบวชกันก็ใช้ไม่ได้หรือการทําสังฆกรรมอื่นๆก็ใช้ไม่ได้การบวชก็คืออะไรโยมยกตัวอย่างเช่นสงปรผจมกันสิบรูปมีคนจะเข้ามาบวชทุกคนก็ต้องสอบถามว่าคนคนนี้สมมุติยองแแบบจะมาบวชก็ถามว่าคุณสมบัติเป็นยังไงยังไงยังไงถามสงก็ช่วยกันพิจารณาถ้ามีสงองใดองหนึ่งค้านบอกว่ายังไม่ยังไม่สมควร ก็<พ uka>บวชไม่ได้ก็บวชไม่ได้รอไปก่อนประชมกันใหม่อีกถ้ามันประชุม ก, กันแล้วคุณสมบัติยังไม่ถึงมีสองขามเพียงองค์เดียวเนี่ยก็บวชไม่ได้หลักการคือตัวนี้เลยเนี่ที่เขาจะบวชแค่ไหนทศทูปพิจารณาคุณสมบัตินะสงฆ์ที่อยู่ในอาวาสนั้นเนี่ยจะต้องเข้าไปร่วมกันเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่เข้ามาบวชเข้าเป็นสมาชิกในสังคมในหมู่ นี่มันหลักหลักนี่ชัดเจนมากนีพระเจ้าวางไว้ันไม่ใชเรื่องมันไม่ใช่เรื่องมมองม ง, งายน่เรื่องเศษเรื่องผลก็จะใช่ไหมเนี่ยที่นั่ง น, นั้นเขาจึงจำต้องชําระทําให้ดีว่าที่ตรงเนี้ยในอดีตอาจจะเคยเป็นอุโบสถเก่ามาท่า น, นต้องสวดประกาศถอนถอ น, ถอนยติเดิมแปลว่าอถอนข้อตกลงเดิมสมมุติพระสงฆ์ในเมื่อร้อยปีที่แล้วเคยทําที่ตรงนี้เป็นอุโบสถแล้วเราไม่รู้ที่ตรงนี้เป็นอุโบสถเก่าฉะนั้นพระสงฆ์ในยุคนี้มาประชุมกันใหม่ ถอนทิ้งเลยเราไม่รู้จะได้สิ้นเรื่องไปแล้วกําหนดใหม่ระยะยางคือยกเลิกมติเดิมงั้นมายกเลิกมติเดิมแล้วก็ประชุมมติใหม่แล้วก็กำหนดเขตกันใหม่เอาอะไรมาเป็นนิมิตปลายใ่ไตรงนี้เป็นอุโบสถเรียบร้อยแล้วเป็นยอตกลงร่วมกันไหต่อไปจะมาทําสังกรกรรมทําอะไรทั้งหลายอะไรเนี้ยในเขตบริเวณ น, นั ก็ได้ถูกต้องก็จะได้จะไ ด, ได้ได้สบายใจว่าโอ้ที่เปที่ที่เ <im> วลากำหนดเขตปุ๊บลงไปนี่นะนู้นเนี่ยตามเข้าในยันน้ำรองแผ่นดินก <im> <im> ำหนดขนาดนั้นเขตท้องสมมองเลยลึกลงไปยันน้ำรองแผ่นดินเลยเนี่ยถ้าไม่เขียนแบบนี้แปลว่าเวลาเราได้ถว า, ายอุโบสถ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ทําสังฆกรรมแก่สงฆ์ไตลอดเลยพขมองเห็นไหมครับแล้วเห็นตาเมื่อกีหรอครับท่านอาจารย์เขาไปกําหนดว่าวันเดือนปีทำมาเองว่าไม่เจอบางทีก็ถ้าประเภทที่คนที่เชื่อเรื่องเลิกผานาทีก็ใส่เลิกอะไรเข้าไเสมือนยมผสมใช่ไหมยมศพอะครับผสมเนี่ยก็เขียนเลิกออกมาก็ไปดูดูดูอ๋ออันนี้เลิก ก็ทำให้สารที่มั่นคงว่าทิ้โลกไอพี่พช้ยสองราเหมือ น, นยอย่าออกสึกกันนี้อันนั้นก็ว่ากันไปเนี่ยอันนั้นก็คือเลิกที่เขาวางลงแต่ทั้งบทเหล่า น, นี้ท่าบทที่นี่พังไปในร0อยปีสองร้อยปีเขาไปขุดเจอขึ้นมาเขาจะรู้อ๋อที่เป็นที่เป็นอุโบสถ แล้วใครก็จะลงบทว่าใครมาทําอะไรยังไงใครเป็นบรรอะไรอย่างไรเขาจะอุปจารึกไว้เลยเป็นประวัติศาสตร์ขอครับนี่ยนักบา ร, ราณคดีทั้งหลายก็จะมารู้อ๋อที่ตรงนี้เคยเป็นทุกข์โสดเก่าบริเวณแค่ไหนอย่างไรพระราชาทานเท่าไหร่นนะหกี่เมตรที่ยอมยมแหวนอ่านนี่แหละกี่เม็ดกว้างกี่เมตรยาวกี่เมตรมีบริวาร น, นี้ได้พระราชามีสูงขาวซิมาสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่พ่อสอเดือนวันปีขึ้นแล้วเท่าไหร่เนี่ยกำหนดเบ็ดเขตเลยคนรุ่นหลังๆร้อยปีสองปีก็มาออ๋อมีประวัติศาสตร์คนโบราณ ทำไว้เ่อนนะที่พวกเรานี่แหละมาทาประวัติศาสตร์ัไว้หลายปีกลายเป็นโบราณไปแล้วเป็นโบราณแล้วถูกไปเข้าเข้ามาอ่านงงกันใหญ่เนี่เป็นยังไงนะเป็นยังไงสถานการณ์วันนั้นเป็นยังไงพวกเราก็ตายกันไปหมดแล้วก็จํำทำไม่ได้เว้นจะมีคนสติสัมปชัญญะดีมาระลึกอ๋อจําได้การะลึกชาติได้ก็ว่าอีกทีเราจะมองออกไหมพวกเราเนี่เป็นคนสร้างประวัติศาสตร์ ใช่ไหมให้กับคนอนุชนรุ่นหลังเมื่อกี้เราก็ไปทำา ม, มโงคนก็เนี่ยเราะวะสิ่งทุกทั้งทุกอย่างที่เราทำเป็นประวัติศาสตร์ทีเรียบร้อยได้จดไว้ให้ปรวัศาสร์เอาไว้บันทึกบางคนก็บันทึกเขียนเป็นหนังสือไว้แต่รูปเนี่ยถ่ายไว้ไม่นานเดี๋ยวค่อยลืนเชื่อไหมรูปที่เราถ่ายกันวันนี้ถ้าอยกร้อยปีข้างหน้า คนคนคนอีกร้อยปีข้างหน้าก็จะบอกโอ้โบราณมากเลยกล้องอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมเขาจะคิดอย่างนั้นจริงไหมยยุค<ช>ยุ ก, ก, กข้างหน้าเขาจะต้องทันสมัยคนนี้เยอะสามพิธีใช่ไหมประวัติศาสตร์มันก็จะมันก็จะรันตัวมันเป็นอย่างนี้เขาจะบอกโอ้คนคนโบราณหน้าตาอย่างนี้เองเขาจะเห็นเดียวนักเหมือนพวกเรานึกถึงสมัยเมื่อสองสองร้อยปี ก็สมัยรัชกาลที่สี่ตอนนั้นน่ประเทศไทยไม่มีน้ำแข็งกินยังไม่มีเลยตอนนั้นสิงคโปร์ก็ผลิตน้ำแข็งได้เป็นครั้งแรกรัชกาลที่สี่ไปสิงคโปร์เอาน้ำแข็งมาโอ้โหเก็บมาใส่เรือมามาถึงก็เรียกลูกทั้งหกสิบหรือ4 0 5ห้าิบกว่าคนมาแกให้กินกันคนละก้อนเขาบอกโอ้เาบอก Monate, um, น้ำมันเป็นตัวได้นี่ไอ้ไม้ไม้ elin, yes ประโยคเขาว่าป้น้ำเป็นต animal ัวมาจากเลกนงานที่ตีนี่แหละทุกคนก็ตกใจนะน้ําแข็งเป็นก้อนประเทศเราไม่เคยมีใช่ั้มประเทศเราเมืองเราเป็นเมืองร้อนอย่โอ้โหตื่เต้นกันมากน้ําแข็งเป็นก้อนได้เห็นไหมยกปัจจุบันเนเราฟังแล้วไม่เห็นแตกอะไรเลยเป็นเรื่องปกติครับมันตัวอย่างวัดจีนนะพระสุทัศน์พระเจ้าศรีมาแบบเนี้ยริงจริงต้องมีกําหนดนะฮะว่าต้องมีรากี่รูป นางกี่รูปอะไรเงี้ยอ๋อเขาก็จะต้องมีการทําเรื่อง <c oughs> ราวเพราะว่านี้หนีพิธีกรรมอยู่เท่าไรอะไรทั้งหลายเหล่านี้ยท่านก็จะเป็นพระราชวิริยะ <c oughs> ในการทรุกยอย่างโม้แต่ไม่ได้มีกฎระเบียบว่าจะต้องทำนี่ร <c oughs> ูปสรงนี่องค์เขาก็ต้องมีอยู่นงคำหนึ่งสีลรูปผ้ารูปตินไปเลย ก็จะเป็นกำาพงทิพยพันใหญ่บ้านปูวพามพระรามพระรามพระรามพรามพรัรนมะรามระราะาาราาะาร